าพาพก า, า, ารถ้อยพระพระกฤษณาธิรเขามาได้ย่ายโยมุตตวสัจดุจจาระตอนนี้เอาแค่ย่อๆนะอานิสงส์จริงๆที่พระพุทธเจ้าสมบัตินามว่าพระสมุทตระสงตรัสว่าคนท่นอยกฤษณาธิการในขั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าห้าร้อยชาติตั้งหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชันตองยังมีเวลาพันปีทิ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งขอเราดึงทั้งกว่าร้อยปีของเราสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน12สองเดือนเป็นหนึ่งปีไม่กันมันเราพันปีทิบเกิดจุติเขาดับพักก็เกิดพักทันทีแบบนี้ห้าร้อยครั้งนี่เขาอัญมกีถินนะแล้วถ้าบุญอ่อนลงจากความเปน็นเทวดาและนางฟ้าก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกห้าร้อยชาติ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 นี่สําหรับอา น, นิสงส์กระถึงโดยเฉพาะคือว่าบุญนมีสองอย่างที่จํากัดเขตคือบุญการบวชการเท่ากระถินที่จํากัดบุญมาแต่เป็นอะไรบ้างอย่างอื่นไม่เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเท่ากระินมันนี้บรนดาญาโยพพุทธบริษัททอดพระ ป, า, ปาด้วยอา น, นิสงส์พระปาก็มีกัมมันดาท่านพรุทธบริษัทอีกเฉพาะอา น, นิสงส์พระปาก็มีอาการคล้ายๆกับกระถินแต่ไม่จํากัดการเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่องบัณฑ์ระพปะไอเขอโทษไม่ใช่าปะป่าสังฆทานถวายสังฆทานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานโดยพระตรูปจะเป็นเทวดาด้วยนางฟ้าที่มีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถือรัศมีกายเป็นใหญ่ถ้าไม่ถือเครื่องแต่ตัวเป็นใหญ่ใครมีรัศมีกายสว่างมากองนั้นถือว่ามีบุญญาณิการมาก ใครมีรัศมีกายสว่างน้อยองค์นั้นก็ถือว่ามีปัญญาที่การน้อยถ้าจะถามว่าจะมารู้มาจากไหนตำรานีก็ขอตอบไปทราบว่ารู้มาจากผีผีชื่องาหรือเปล่าไม่ทราบแต่งาทายกาายก็ทธาสูงงอ๋อยังไม่ตายฮอ๋ อ, อชื่อเดียวกันหนึคนละคน <laughs> <laughs> คือว่าบรรดาผีทั้งหลายตั้งแต่บวมานี่เวลาแกมาขอให้มองขอขอให้ทำบุญให้แกหนึ่งขอจะไหวสังฆทานมีอาหารแห้งได้อาหารไม่แห้งก็ได้สองมีผ้าหนึ่งผืนสามมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์แต่ว่าพระพุทธรูปหน้าต่างต้องไม่ต่างกว่าสี่นิ้วเกินเท่าไหร่ได้ขออย่างนั้นมาสิ้นเวลายี่สิบปีเสรทำบุญให้กับผีประเภทนี้นับเป็นพัน เป็นพันครั้งต่อมาวันหนึ่งเา้านิมนไปชั้นเพลิบ้านหนึ่งแล้วก็ชั้นชั้นอีกวันแอดตอนเพลนแต่ยังไม่ทันจาไม่ทันจะสวดมนต์ก็นั่งอยู่คนเดียวก็เห็นมาดาผีทั้งหลายมาล้อมอีกแล้วมาขออีกขอแบบเดียวกันมาขอสังฆทานคืีวิญาหันหน่อยหนึ่งมีผ้าชิ้นหนึ่งมีพพระพระพุทธ ร, รูปองค์หนึ่ง ก็เลยถามว่าการขอแบบเย่แกขอก็มาตั้งยี่สิบปีแต่ความจริงพวอที่ขอก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาดีไปแล้วถามตั้งยี่สิบปีมาแล้วขอแล้วแกได้อยู่แต่ไหนบ้างลองบอกฉันฟังทีเห็นว่าผีตัวนั้นผีฉลาดหน่อยท่าทางคล่องตัวแกก็บอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งทำเป็นเหตุให้ผมมีร่างกายเป็นทิพย์ ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นผ้าสบงแัะจีวรและผ้าไต่กตามให้ผมมีผ้ามีเครื่องประดับประดาเป็นทิพย์แล้วก็สําหรับพระพุทธรูปนี่เป็นเหตุที่มีร่างกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือผมถือว่าถ้าใครร่างกายสว่างเอานั้นมีบุญญาดีการมากฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททําำบญวันนี้นอกจากกระถินแล้วก็ยังได้อานิสงส์จากสังฆทานอีกแล้วนอกจากสังฆทานเมียสงองในบาง เหนื่อยไหนตัแต่เช้าดีโมโหตอนเพลงนี่กินข้าวต้มหมดไปสองชามโมโหรึ่นะทไมโมโหกินไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วมันนี่มโมโหยมได้ล่อซะสองชามเลยแต่โมโหแบบนีไไ้ไม่บ่อยก็อ้วนนะใช้ข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วคืนนี้เจียน แล้วต่อไปนี้ไปก็คงจะไม่มีอะไรนะยะยะโยงใคนมีอะไรสงสัยไหมเอางี้ดีกว่าบนที่ท่านทําแล้วนี้เป็นมหากรุสัญยิ่งถือว่ามหากรุสัญศลใหญ่เป็นพิเศษต้องกระถินเป็นการทานถวายได้เฉพาะกาลเวลาถวายได้แต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอดถึงกลางเดือนสิบสองถ้าพ้นจากนั้นไปถวายยังไงก็ไม่เป็นกระถิน่น และอาริสงก็ถึงได้ทั้งญาติโยมด้วยได้ธรรมธาตด้วยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นมิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหว้พระไตรจีวรไว้ในพุทธศาสนาถ้าผู้หญิงผู้หญิงก็ตามบูชาลก็ต า, ตามตายไปแล้วเป็นเทวดาทุกพรมมีร่างมีเครื่องที่ประดับแต่เวลาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงจะมีเครื่องดามหาวิสัยอย่างนังวิสาขาแต่งให้อันราคาเวลาทั้งสิบหกโกศ ถ้าบูชายเวลาพบพระพุทธเจ้ามาพระพเจ้าทรงเรียกว่าเอหิภิกขะแปลว่าเจ้าจงเป็นผู้มาเถิดจะมีเครื่องตรายผ้าตรายจีวรมันเป็นทิพย์ลอยอา ก, กาศสมร่างกายอันนี้เป็นอธิสงสุดท้ายกันนะกระองความว่าอ น, นิสงขบันดาท่านพุทธบริษัทที่ทําบันนี้ไปในสงถึงขั้นปฏิพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิสงกระถินเนี่ยม่กินไม่หมดแน่ถึงนิพพานกันแน่เกิดกีใช่ก็จนไม่เป็นนี่จะเป็นคนโง่เลยเนี่ย น, นะ ต่อไปจะโง่กันใหญ่ชาติหน้าไม่รู้จนไปยังไงเดินไปขอทานบอกคนบ้าก็รับผมหิวเหลือเกินขอตังค์กินข้าวหน่อยแหมคนบ้าก็มันช้ำหนักใจจะมีตังค์มาน้อยสี่ห้าหมื่นเท่านั้นไปนูอเอาไปสองหมืนก่อนนะลูกนะวันหลังเอาใหม่แหมมันแย่มนแย่นะนี่จะโง่ไม่รู้จะจนไปยังไงในะยอมโง่เิี้ ยอมก็โอ้หนูยอมไม่ลุกยอมนนึกมันนึกมายอมกันก็พอตอนที่ไปก็ขออนุดาท่านพระสัจจะนงหลายตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจถวายพระอะาทินท า, านนะสมาทานศีลแม่จงิงงาไม่รูเระ่จิงาเทียวก่อนจงหาม่ขุนพก็ไปก่อน อ่าต่อไปนี้ขอพ่อแม่พี่น้องที่ครบตั้งใจบูชาพระรัตนารัยและกราบพระและรับสินพร้อมกันเจ้าค่าโยโซพระคารังสมมารามพทมุทโธ ขวากาโตเยนาภคะวตาธรมโมโทปาติปันโนยัสสะภคะวโตสาวกสังโฆ ตามไม่ยางพระควันตังสะสมังสะังขังเมหิกาเลหิยธาหังอาโรปิเตหิอาภิปูเชียมะ บาโนพันเตพะขวาสุจิราบาลนิพุโตอัมปิ่นชิมาชะนตานุคัมพมานักสาร เมสกาเลทุกตาปนาคาลพูเตปติคันให้ตัวอมหังธีกาลตังหิตายสุขายะ ทางสมาพุทโภคกัวันพุทธทางพระควันตังอภิวาเทมีแกู่่าสนท่านบอกทรงาท่น ท่านท่านส็บอกเองนะที่ไหนต้องใช้เนื้อ อตรทุเ <stimulus> ม ja ียงพันตวสุงวสงละกทายติสระเนนัสหาปัญสนามยาปยังพันเตวิสุงวิสุงละกทายาติสรนนัสหปัญจสรนิยาจามา ตัศยัมเปยมะยังพันเตวิสงวิสงรักกนธายาเตระเนนัสหาปัญจสิรานิยจามาณโมตัสสะภะคะวะตตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะ พระครตุอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระครตอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระครตอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะพตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสทททสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุ ท, พทธัสสะนางเสระนางขจามีพุทธังสาระนางขจามีมงเสระนางัจามีอะมังสระ แมงขังเสระนังขจามีตสงขังสระนังขจามีโิยัมปิพุทธังเสระนังขจามีโอทิยัมปีพุทธังระนังขจามีโอิยัมปิตัมมังเสระนังขจามีโอทิยัมปิตัมมังสระนัง โอทิยัมปิสังขังสระนังขชามีโอิยัมปิสังขังสระนังขชามีโทิยัมปิพุทธังสระนังขชามีโอทิยัมปีพุทธังสระนังขชามีโอทิยัมปีธรรมังสระังขชามีโทิยัมปิสังขัง ระนังขจามิาดิยามปิงงังขังรังขจามิอนาติปันตาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธยามิ วาณิวาสาวละมณีสิกขาบังสมาทิยามินาธานาเวระมณีสิกขาบังสมาทิยามิอาินาธนาเวระมณีสิกขาบังสมาทิยามิอาเมสุมิชญาจาราวีระมณีสิกขาบังสมาทิยามิ มุชอาวาทาวีระมณีสิกขาบัทังมยามิมุชาวาทาวระมณีสิกขาบทังสมาธิยามโมตาวาทเวระมณีสิกขาบทังสมาธิยามิโมตวาทระมิาทังาธ ระมณีสิกขาบัตังสมาทียามิสุปาเมลายะมัจจาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาบัตังสมาทียามีนิปัญจสิกขาบัตานิสีเลนสุขติงยันติสีเลนภูกคสัมปทาน พิเรนานิพพิงยันติตัศมาสิลังวิชนทะย์ อ, ย อ, อ้าต่อไปนี้ขอพระดาพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตั้งใจตั้งนามถวายผ้าพระกตินทานพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสะโมตัสสะ นัโมตัสสะพะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีอะไรจะเอาอีกแล้วเอาภาษาไทยเลยดีกว่า ข้าแต่ประสงค์ทั้งหลายข้าแต่ประสงค์ทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายข้าพระก ถ, ถินทีวรพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จองรับท่าพระกระถิญชีวรพระะ้รรอมกับของขที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของท่าพระเจ้าทั้งหลายขอพระสงฆ์ได้รับแล้วขอจงกราน ข้าพระกะถินชีวรให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อประโยชน์พชนเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลา ย, ยมีบิดาและมารดาเป็นต้นด้ว ย, ยที่ได้ทำกาละไปแล้วเหล่านั้น จงได้รับเครื่องความสุพสมความปรารถนาสิ้นการนาน เ, เาทิเอ้าวต่อไปขอท่านทั้งหลายอุทิศแห่กุศลเจ้าพ้าอีทางโนโโยาตินังโหตั สุขิตาโหโตัวยาตะยอตียิ่ทางปัญยาภรางอันว่ากุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้ ขอบุญกุศลอิจองเถืงแก่หมูยต แ, และมิชาัยยัของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ม, มีบิดาและมารดาเป็นตนน้นโรโปะชาอาจารย์ แหวดาทั้งหลายสัพระสต์ทั้งหลายตรอดถึงเจ้าเวลและนายกรรมตรอดถึงพยายมรารทุกขพบทุกภูมิทุกโมราี่ข้าพระเจ้า ได้กล่าวนำ ม, มาแล้วนันจองเป็นผู้ได้รับอะนุโมทนาสวนกุสลที่ข้าพระเจ้าได้อุทิศไทยขอท่านทั้งหลายจงได้รับเรื่องความสุข สมความปรารถนาทุกๆท่านเถอนญาญโยนี่อยู่ใกล้เฮ้ยตวัดวิเชนท่านนะที่อยู่ใกล้นะเด็ดเือเป็นตัวแทนญาญโยนั้นหมดหมดนานารูกกันนะถือว่ า, า, า um. ทุก millions. ท่านเป็นเจ้าภาพกับถิ่นนี้ทั้งหมดกถินสามัคคีนั้ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าภาพไม่ไปเช่ไม่มีใครไปหัวหน้าไม่ไปใครไม่มีใครไปลูกน้องนะ อะไรโอ้โหไม่คนถวายเยอะเลยฉันคนเดียวคนถวายทั้งลานไม่ขัดถึถ่งนี้มากินน้อยคนมามากเ้าววาดองค์เดียวคนมาเค้นทั้งลานคนอะไรเย่าโยม อ่าเป็นนั้นว่าตอนนี้ไปญาติโยมก็รับพรอย่างประสงค์นะแต่ว่าก่อนที่จะรับพรญาติโยมคําอธิฐานเป็นคเป็นสาคัญคําอธิฐานถือว่าไปอธิษฐานดบารมีตัวอย่างเช่นพระนุรุตท่านอธิฐานมาในชาตก่อนในการก่อนนะขณะที่ท่านถวายทำบทุญถวายทานอย่างบรรดญาญาติโยมพุทธบริสัทธนี้ท่านอธิษฐานว่า ขอผลบุญนี้ที่ข้าเจ้าทำแล้วจงบันดาลให้ข้าพเจ้าเกิดไปชาติใดเช่นใดก็าตามถ้ายังเกิดเวียนว้ใาใจเกิดนิวรตา ย, ยังไม่ถึงนี้ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มียงหยาปรากฏกัขเข้าพเจ้าข อ, อแค่นี้นะว่าต้องการอะไรก็มีหมดเราต้องการของเล็กๆกเกชน่นรถไฟสกรบรนเราก็สามารถมีได้ ต้องการเครื่องบินเล็กๆู่สักห้าร้อยคนก็สามารถมีได้ดูตัวอย่างพ้านรุตถ้าอาศัยคำไม่ถันอันนี้มาถึงชาติสุดท้ายท่านเป็นลูกเจ้าคือเป็นลูกของชาวกรุกงกรุงกบิณฑพัฒเป็นน้องที่วเป็นลูกของอาเขาพบแตเจ้าท่านตอนเป็นเด็กทุกวันนี่เวลาเล่นขบกับเพื่อนจนถึงเวลาแม่กับทางขนมไปให้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 ไอ้ของกินของใช้มันต้องขายคราวค่ะขัดมืออยู่บ้างบางบางครั้งบางบางเวลากินจะสอนลูกว่าคําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้เคยมันเคยมีทุกอย่างก็ถาดเปล่าๆมาหนึ่งลูกมาวางข้าวแล้วถาดเปล่าๆอีกหนึ่งลูกปิดเหมือนกับมีเหมือนกับมีขนมทุกวันก็ทุกวันทําแบบนั้นแล้วันทําถาดขนมเต็มถาดแล้วก็ถาดเปล่าๆ ป, ปิดตั้งคนใช้แบกไป ในเมื่อท่านนําถาดเปล่ามาวางน้ำถาดเ ป, ปล่าปิดกนะ็ให้คนใช้แบกไปท่านณที่คนใช้เดินทางไปหาพระอันท่าอนันรุตที่เป็นเด็กเทวดาที่รักษาตัวพระอนุรุตตกใจคิดว่าคําอธิฐานพระนุตมีไว้ตั้งสมัยใช่ก่อนไหลอสงไ ข, ขยมาแล้วว่าขอผลบุญนี้คําว่าไม่มีจงหยาบปรากฏเข้าไปเจ้าถ้าวันนี้พระอนุตไม่มีขนมจะกิน เราซึ่งเป็นเทวดาทั้งสาตัวก็อนุรักษ์จะหัวก็จะแตกเจ็ศเสี่ยงอย่างหัวใจงาเนี่ยอีตอนนี้ใจงาเป็เทวดาตอนนี้เสี่ยงเหมือนเป็นคนตาบอดเอยขายไก่เท่าไหร่ขายไก่ก็ไม่เกีขายไก่ก็เป็นนั้นว่าเทวดาก็ต้องบรรดาขนมทิพย์ให้เต็มถาดตามเดิมเหมือนกัเคยที่เคยแม่ทำ ตอนนี้ข น, นมทิพย์มันก็มิตรรสหอมกว่าอร่อยกว่าข น, นมธรรมดาที่แม่ทําพอไถึงท่านอรุษก็กินเพิ่งก็กินอร่อยจะร่อยกว่าทุกวันเมือ่อถึงตอนเย็นก็กลับมาบ้านก็ถามแม่ถามคุณแม่ทุกวันคุณแม่ไม่เคยรักลูกทวันนี้หรือแม่ก็แปลกใจถามว่าทาไมว่าวันก่นกอนๆแม่ทำไมยังทาไม่ไม่ทำข น, นมไม่มีให้ลูกกิน ไอ้ขนมไม่มีนี่มันอร่อยขนมที่แม่ทําให้กินทุกวันตอนนี้ไปตั้งแต่วันนี้เป็ต้นไปขอกินขนมไม่มีอย่างเดียว เ, เป็นอันวาเทวดาได้ก็มาทําะอะไรต้องนั่งทําขนมทุกวันแตนเทวดากิ น, ในใมั่งลาบลาเขาไปด้วยก็เป็นว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหมดที่ทําบุญวันนี้จัดว่าเป็นมหากรุสุเป็นพิเศษ ถ้าเราจะบรรณาความดีถึงกุศลก็นี่มันก็ยนนานิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วผลความดีของแท่งนก็ยังไม่หมดเพราะนิสงสังฆทานกรถิญ น, นี่เป็นสังฆทานพิเศษเฉพาะการถสังฆทานปกติท่านก็ทมวันนี้ท่านทานจริงๆนะหลายอย่างมีทั้งหนึ่งกระถิญทานสองสังฆทานปกติแล้วสามพุทธานปตินึกถึงพระพุทธเจ้า เซลล์สี่ธรรมานุสตินึกถึงประธรรมอย่างที่สวดมาเกี่ยงเป็นประธรรมนึกเราสวดด้วยความเคารพแล้วก็ห้าก็สังขานุสตินึกถึงประสงค์ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าจะนับว่ากรุสุทั้งหมดนี่จะไปหมดเมื่อไรก็ต้องตอบว่าเข้านิพพา น, นนี้อนิสงฆ์ยังไม่หมด ถ้าอนิสงไม่หมดอ น, นิสง์เป็นเกิดเป็นความร่ำรวยยังไงไงก็รวยกันแน่ทุกชาติต่อไปหาคนจนไม่ได้แน่สังฆทยก็เป็นปัจจัยเป็นมหาเศรษฐีก็ถึงจะเป็นปัจจัยเป็นมหาเศรษฐีในเมื่อเข้านิพพานไปแล้วถ้าคนอยู่เบื้องหลังที่เขเป็นลูกเป็นหลานยังมีเคารพในท่านอยู่ผลของทานอันนี้ยโสหนงเขาอยู่ให้ลูกหลานมีความสุขต่อไปดันงนั้นฉะนั้นขอบันดาญาโ ย, ยมพุทธบริสุทธิ์หลายเวลาที่พระให้พร ให้ตั้งจิตตั้งฐาว่าขอผลบุญนี้ที่ข้าเจ้าทำแล้วทั้งหมดวันนี้ไม่รู้เท่าไรกันแน่นางหลายอย่างขอผลบุญนีญนน้เจ้าพระพิฆเนศเจ้าจงปราบจงไม่ปรากฏคำจงไม่ปรากฏคำว่าไม่มีตั้งแต่บัดนี้ไปยังกว่าจะเข้านิพพานตั้งใจแบบนั้นนะคนไมได้ปรากฏกับท่านไอ้ชาตินี้ข้ามีการคล่องตัวต้องต้องการอะไรก็ได้แต่อาจจะเลี้งได้น้อยกว่าชาติต่อไป ตอนนี้ไปก็ตทุกคนตั้งจารพอนจารประสง์ยะทาวะริวะ้าบุรา บ, าาบริปุเรนดิสายรังเอวามีวีโกทินนางเพตานางวากาปติอิจิตังปิจิตังตุมหังคิปัมมีวัะมิจัตุสัพีุเรนตุสังกวา จันโทนราโสยะามณิโชติราโสยะทานสติิโยวิตันตุสัาโลังโวินตสตุมาเตมวั <Gesellschaft> ขันดาไรโยสุขิยินพินยูกุว a นภาวะสัพพอนติโยวิวัตญาณตุสัพหารูอัโกวินาศสันตุมัณฑะมหัต วันใดอยู่สุขเีนเขียยยู่ต่พาลอยสับเรยนดียู่อันิวัตรยันดูสับพาล้ังคอัินาศสัตุมัเตยาวั วันดราโยวิชุกิริิมายโโควัาพระวาิวันทนสิริชนิจังุตนาบจายนุจตตารวนธรรมวั ทันติอายุวัโสุขังอาลังกาลียท่านติสะพัาวทันวีตมกาเลนินังอเยุอุุเสุทัติสุวิ <laughs> ปัจจันนมะนาจักตาวิบุรนวันิทักหินายาักทานุโันดิเวยยาวจางกโจติวายนตอนัสท หินอว a นหเดียบุญญาจาระหินอัตสุธรรมาตเดียอัปปารวานจิตตัยาินังมหาพลังปญญาในบารหลัิงปิาหติปานน